คำพีวิสุทธิมักปริเสที่หอสุภกรรมฐานิเทศอสุภสิบก้อนละในอสุภอันปราศจากวิญญาณที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในลำดับแห่งกสินนั้นมีสิบประการคืออุทุมาตกะวินิลกะวิปุภกะวิชิตกะวิขายิตกะวิขิตกะ หัตวิคิตกะโลหิตกะปุลุวกะและอธิกะหนึ่งอธิบายอุทุมาตกะอสุภะอสุภะที่ชื่อว่าอุทุมาตะเพราะเป็นของพองขึ้นโดยที่มันอืดขึ้นอืดขึ้นตามลำดับนับแต่สิ้นชีวิตไป มีอาการเหมือนลูกหนังที่พองขึ้นด้วยลมอุตุมาตะสับนั่นเองได้รูปเป็นอุตุมาตะกะอีกอย่างหนึ่งอสุภะที่พองขึ้นอย่างน่าเกลียดเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลฉะนั้นจึงชื่อว่าอุตุมาตะกะคำว่าอุตุมาตะกะนี้เป็นชื่อของซากศพเห็นปานดังนี้แปลว่า ซากศพที่พองอืดขึ้นอย่างหนึ่งซากศพที่พองอย่างน่าเกลียดอย่างหนึ่งสองอธิบายวินิลกะอสุภาอสุภาที่มีสีเขียวคละไปด้วยสีต่างๆเรียกว่าวินิละวินิละสับนั้นเองได้รูปเป็นวินิลกะแปลว่า อสุภะมีสีเขียวคละไปด้วยสีต่างๆอีกอย่างหนึ่งอสุภะมีสีเขียวน่าเกลียดเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลฉะนั้นจึงชื่อว่าวินิลกะแปลว่าอสุภะมีสีเขียวน่าเกลียดคำว่าวินิลกะนี้เป็นชื่อของซากศพที่มีสีแดงในที่ที่มีเนื้อหนามีสีขาวในที่ที่มันบ่มน้อง และโดยมากมีสีเขียวเป็นดังคลุมผ้าสีเขียวไว้ในที่ที่เขียว 3. อธิบายวิปุภกะอสุภาษะอสุภาะที่เป็นหนองกำลังไหลเยิ้มอยู่หน้าที่ที่มันแตกปริชื่อว่าวิปุพะวิปุภะศัพท์นั่นเองได้รูปเป็นวิปุภกะ แปลว่าอสุภะที่เป็นหนองไหลเยิ้มอยู่อีกอย่างหนึ่งอสุภะที่เป็นหนองอย่างน่าเกลียดเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลฉะนั้นจึงชื่อว่าวิปุภกะแปลว่าอสุภะที่เป็นหนองอย่างน่าเกลียดคำว่าวิปุภกะนี้เป็นชื่อของซากศพเห็นป่านดังนี้สี่ อธิบายวิจิตกะอสุภาษอสุภาที่แยกจากกันโดยขาดเป็นสองท่อนเรียกว่าวิจิธาวิจิทาศั์นั่นเองได้รูปเป็นวิจิตกะแปลว่าอสุภาที่ขาดแยกจากกันอีกอย่างหนึ่งอสุภาที่ขาดจากกันอย่างน่าเกลียดเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลฉะนั้นจึงชื่อว่าวิจิตรกะ แปล ว, ว่าอสุภะที่ขาดจากกันอย่างน่าเกลียดคำว่าวิชิตกะนี้เป็นชื่อของซากศพที่ขาดตรงกลางตัวหอธิบายวิขายิตกะอสุภะอสุภะที่สัตว์ทั้งหลายมีสุนักบ้านและสุนักป่าเป็นต้นกัดกินโดยอาการต่างๆตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้าง ฉะนั้นจึงชื่อว่าวิคหายิตะวิคหายิตะศัพท์นั่นเองได้รูปเป็นวิคหายิตะกะแปลว่าอาสุภะที่สัตว์กัดกินโดยอาการต่างๆอีกอย่างหนึ่งอสุภะที่ถูกสัตว์กัดกินอย่างน่าเกลียดเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลฉะนั้นจึงชื่อว่าวิคหายิตะกะ แปล ว, ว่าอสุภะที่ถูกสัตว์กัดกินอย่างน่าเกลียดคำว่าวิขายิตกะนี้เป็นชื่อของซากศพเห็นป่าดังนี้6อธิบายวิคิตกะอสุภะอสุภะที่ทิ้งกระจายอยู่ชื่อว่าวิคิตะ วิคิตะศับนั่นเองได้รูปเป็นวิคิตะกะแปลว่าอสุภะที่ทิ้งกระจายอยู่อีกอย่างหนึ่งอสุภะที่ทิ้งกระจายอยู่อย่างน่าเกลียดเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลฉะนั้นจึงชื่อว่าวิคิตะกะแปลว่าอสุภะที่ทิ้งกระจายอยู่อย่างน่าเกลียดคำว่าวิคิตะกะนี้ เป็นชื่อของซากศพที่ทิ้งไว้ณที่นั้นๆอย่างนี้คือมืออยู่ทางหนึ่งเท้าอยู่ทางหนึ่งศีรษะอยู่ทางหนึ่งเจ็ดอธิบายหัตถวิกิตตะอสุภะอสุภะนั้นถูกฟันด้วยทิ้งกระจายอยู่โดยในยักก่อนนั่นแหลด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่า หัตวิคิตตกะแปลว่าอาสุภะที่ถูกฟันและทิ้งกระจายอยู่คำว่าหัตะวิคิตตกะนี้เป็นชื่อของซากศพที่ถูกฟันด้วยสัตว์ราที่องค์อ ว, วัยวะทั้งหลายโดยอาการดังกากระบาดคือถูกฟันยับเหมือนรอยตีนกาแล้วทิ้งกระจายอยู่โดยนัยยะดังกล่าวแล้ว อธิบายโลหิตกะอสุภะอสุภะที่มีโลหิตเกลื่อนกลาดเรียราดไปคือไหลออกตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้างฉะนั้นจึงชื่อว่าโลหิตกะแปลว่าอสุภะที่มีโลหิตคำว่าโลหิตกะนี้เป็นชื่อของซากศพที่เปะเปื้อนไปด้วยโลหิตซึ่งไหลออกอยู่ 9. อธิบายปุรุวกะอสุภะนอนทั้งหลายเรียกว่าปุรุวานอนทั้งหลายเกลื่อนกลาดอยู่ในอสุภะนั้นเหตุนั้นอสุภะนั้นจึงชื่อว่าปุรุวกะแปลว่าอสุภะมีนอนเกลื่อนกลาดคำว่าปุรุวกะนี้เป็นชื่อของซากศพที่เต็มไปด้วยนอน สิอธิบายอธิกะอสุภะอธิศัพท์ที่แปลว่ากระดูกนั่นเองได้รูปเป็นอธิกะแปลว่าอสุภะที่เป็นกระดูกอีกอย่างหนึ่งอสุภะที่เป็นกระดูกอย่างน่าเกลียดเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลฉะนั้นจึงชื่อว่าอธิกะ แปลว่าอาสุภะที่เป็นกระดูกอย่างน่าเกลียดคำว่าอติกะนี้เป็นชื่อของอสุภะที่เป็นกระดูกท่อนเดียวแม้ในโครงกระดูกอันหนึ่งคำทั้งหลายมีคำว่าอุทุมาตกะเป็นต้นนี้เป็นชื่อของนิมิต ท, ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอุทุมาตกะอสุภะเป็นต้นเหล่านี้ก็ได้ เป็นชื่อของฌานทั้งหลายที่โยคีบุคคลได้แล้วในนิมิต ท, ทั้งหลายก็ได้วิธีเจริญอุทุมาตะะอสุภกรรมฐานในอสุภะสิประการนั้นโยคีบุคคลผู้ปรารถนาจะทำอุทุมาตะะนิมิตในร่างกายอันขึ้นพอง ให้บังเกิดขึ้นแล้วจเจริญอุทุมตาตกะชาญพึงเข้าไปหาอาจารย์เรียนออกกรรมฐานตามนยะดังกล่าวมาแล้วในปัทวีกสินนั่นแหละอันอาจารย์นั้นเมื่อจะบอกกรรมฐานแกโยคียบุคคล น, นั้นพึงบอกให้หมดทุกวิธีอย่างนี้คือวิธีไปเพื่อต้องการดูอสุภานิมิตการกำหนดเครื่องหมายโดยรอบการถือเอานิมิตโดยวิธี11อย่าง การพิจารณาทางไปและทางมาฝ่ายโยคีบุคคลครั้นเรียนเอาวิธีทุกๆุกอย่างเป็นอันดีแล้วพึงเข้าไปยังเสนาสนะอันมีประการดังกล่าวแล้วในตอนต้นพึงสแสวงหาอุทุมัตกะนิมิตอยู่เถิดวิธีไปดูอสุภาก็แลเมื่อโยคีบุคคล สแสวงหาอุทุมาตกะนิมิตยอยู่อย่างนั้นแม้ครั้นได้ยินคนทั้งหลายพูดกันว่าร่างอสุภะที่ขึ้นพองทิ้งอยู่ที่ประตูบ้านชื่อโน้นที่ปากดงชื่อโน้นที่หนทางที่เชิงภูเขาที่โคนไม้ที่ป่าช้าชื่อโน้นอย่าเพิ่งรีบไปโดยทันทีเหมือนคนแล่นไปโดยผิดท่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าขึ้นชื่อว่าอสุภะนี้ เป็นสิ่งอันมรรคร้ายซ่อนไว้ก็มีเป็นสิ่งอันอานษย์สิงอยู่ก็มีแม้อันตรายแห่งชีวิตจะพึงมีแกโยคีบุคคลนั้นได้ในเพราะเหตุนั้นอันหนึ่งทางที่ไปณที่แห่งอสุภะนั้นบางทีก็ผ่านประตูบ้านบางทีก็ผ่านท่าน้ำบางทีก็ผ่านปลายนาไปณนะที่เช่นนั้นรูปอันเป็นวิสภาค คือรูปอันเป็นค่าศึกก็มาสู่คลองจักสุขหรือร่างอสุภานั่นเองแหละจะเป็นรูปวิสภาพเสีเองจริงอยู่ร่างของสตรียอมเป็นรูปวิสภาพของบุรุษร่างของบุรุษย่อมเป็นรูปวิสภาพของสตรีร่างนี้นั้นอันตายแล้วไม่นานย่อมปรากฏโดยความเป็นของสวยงามได้อยู่ด้วยเหตุนั้น แม้อันตรายแห่งพระมจันทร์จะพึงมีแก่โยคียบุคคลนั้นได้แต่ถ้าโยคยีบุคคลมั่นใจตนเองว่าสำหรับโยคียบุคคลเช่นอย่างข้าพเจ้าอาสุภานี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าหนักใจเมื่อโยคยีบุคคลมั่นใจตนเองได้อย่างนี้ก็พึงไปเถิดก็แล่เมื่อจะไปนั้นพึงเรียนแด่พระสังฆเถระ หรือพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงรูปใดรูปหนึ่งแล้วจึงไปเพราะเหตุไรเพราะทายโยคีบุคคล น, นั้นถูกอนิจถารมคือรูปและเสียงของอมนุษย์สีหะและเสือเป็นต้นครอบงำณที่สุสารถึงกับองค์อวัยวะสันรถวยหรืออาหารที่บริโภคแล้วไม่อยู่ท้องหรือต้องอาพาธอย่างอื่น แต่นั้นพระสังฆเทระหรือพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงที่เธอเรียนแล้วนั้นจำทาหน้าที่รักษาบาและจีวรในวิหารไว้ให้หรือจักส่งภิกษุหนุ่มหรือสามเณรทั้งหลายไปช่วยปฏิบัติภิกษุนั้นอีกประการหนึ่งจนทั้งหลายทั้งที่ลงมือทำการแล้วทั้งที่ยังไม่ลงมือทำการสำคัญเห็นว่าขึ้นชื่อวาสุสาร ยอมเป็นสถานที่ปราศจากความระแวงจึงมาชุมนุมกันครั้นพวกมนุษย์ติดตามมาทันเข้าจึงทิ้งสิ่งของไว้ใกล้ๆกับภิกษุแล้วพากันหลบหนีไปพวกมนุษย์พูดว่าพวกเราเห็นโจรพร้อมทั้งของกลางดังนี้แล้วจึงจับภิกษุทำการทรมานแต่นั้นพระสังฆเถระหรือภิกษุผู้มีชื่อเสียงนั้นจะบอกมนุษย์เหล่านั้นให้เข้าใจว่า ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนภิกษุนี้เลยภิกษุนี้บอกแก่อาตมาแล้วจึงไปด้วยการงานสิ่งนี้ดังนี้เราจกทําความสวัสดิภาพให้แก่เธอนี่คืออนิสงฆ์ในการเรียนบอกแล้วจึงไปเพราะเหตุนั้นโยคีบุคคลเรียนบอกแก่ภิกษุผู้มีประการดังกล่าวแล้วเป็นผู้มีความกระหยิ่มใจเกิดขึ้นในอันที่จะเห็นอสุภานิมิต จึงไปด้วยความปีติละโสมนัดมีอาการเหมือนกษัตริย์เสดสู่สถานที่ราชาพิเศษเหมือนคนบูชายันไปสู่โรงบูชายันและหรือเหมือนคนไรรั์ไปสู่สถานที่ฝังขุมรั์ครั้นโยคีบุคคลทำปีติละโสมนัดให้เกิดขึ้นโดยทำนองดังพรณ น, นามาอย่างนี้แล้วพึงไปโดยวิธีที่พรนนาไว้ในอัตถกถาทั้งหลายนั้นเถอ จิงอยู่พระอัฏกะถาจารพรันานาเรื่องนี้ไว้ดังต่อไปนี้วิธีไปดูอสุภะตามในยญอัฏกะถาโยคีบุคคลเมื่อเรียนเอาอสุภะนิมิตชนิดที่ขึ้นผ่องแล้วจึงไปอย่างเดียวดายไม่มีเพื่อนโดยมีสติอันตั้งมั่นไม่หลงลืม มีอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในภายในมีใจไม่ลอะไปข้างนอกพิจารณาดูทางไปและทางมาอยู่ณตำบลใดมีอสุภานิมิตชนิดที่ขึ้นผ่องซึ่งทอดทิ้งไว้ณตำบล น, นั้นโยคีบุคคลย่อมทำก้อนหินจอมปลวกต้นไม้กอไม้หรือเครือไม้ให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันทำให้เป็นอารมณ์ร่วมกัน รันทำให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันทำให้เป็นอารมณ์ร่วมกันแล้วย่อมกำหนดอสุภานิมิตสนิดที่ขึ้นผองโดยภาวะที่เป็นเองคือโดยสีบ้างโดยเพศบ้างโดยสันธานบ้างโดยทิศบ้างโดยโอกาสโดยปริเชษโดยที่ต่อโดยช่องโดยที่เว้าโดยที่นูนโดยรอบๆโยคีบุคคลนั้น ย่อมทำนมิมิตน eh right> ั้นให้เป็นสิ่งอันตนถือเอาดีแล้วย่อมทรงจำซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นสิ่งอันตนทรงจำดีแล้วย่อมกำหนดซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นสิ่งอันตนกำหนดดีแล้วโยคีบุคคลนั้นครั้นทำนิมิตนั้นให้เป็นสิ่งอันตนถือเอาดีแล้วทรงจำให้เป็นสิ่งอันตนทรงจำดีแล้ว กำหนดให้เป็นสิ่งอันตนกำหนดดีแล้วจึงไปอย่างเดียวดายไม่มีเพื่อนโดยมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในภายในมีใจไม่ลับไปข้างนอกพิจารณาดูทางไปและทางมาอยู่โยคีบุคคล น, นั้นแม้เมื่อจะเดินจงกรมก็อธิษฐานจงกรมอันเป็นไปในส่วนแห่งอสุภานิมิตชนิดที่ขึ้นผ่องเท่านั้น แม้เมื่อจะนั่งที่ปูราดอาสนะที่เป็นไปในส่วนแห่งอสุภานิมิตชนิดที่ขึ้นผ่องเท่านั้นถามการกําหนดเครื่องหมายโดยรอบๆมีอะไรเป็นประโยชน์มีอะไรเป็นอานิสงส์ตอบการกําหนดเครื่องหมายโดยรอบๆมีความไม่หลงเป็นประโยชน์มีความไม่หลงเป็นอานิสงส์ ถามการถือเอานิมิตโดยวิธีสิบเอ็ดอย่างมีอะไรเป็นประโยชน์มีอะไรเป็นอนิสงส์ตอบการถือเอานิมิตโดยวิธีสิบเอ็ดอย่างมีอันผูกพันจิตไว้เป็นประโยชน์มีอันผูกพันจิตไว้เป็นอนิสงส์ถามการพิจารณาดูทางไปและทางมามีอะไรเป็นประโยชน์มีอะไรเป็นอนิสงส์ตอบ การพิจารณาดูทางไปและทางมามีอัญญังวิธีให้ดำเนินไปโดยชอบเป็นประโยชน์มีอัญญังวิธีให้ดำเนินไปโดยชอบเป็นอานิสงค์โยคีบุคคล น, นั้นเป็นผู้มีปกติมองเห็นอานิสงค์เป็นผู้มีความสำคัญเห็นเป็นรัตนะเข้าไปตั้งความเคารพไว้ประพฤติให้เป็นที่รักอย่างสนิทอยู่ย่อมผูกพันจิตไว้ในอารมณ์นั้นว่า เราจากหลุดพ้นจากชราทุกและมรณะทุกด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นแน่แท้โยคีบุคคล น, นั้นสงัดแน่นอนแล้วจากการทั้งหลายนั่นเทียวเข้าถึงปฐมฌานอยู่ปฐมฌานประเภทรูปาวจรกุศลย่อมเป็นอันโยคีบุคคล น, นั้นได้บรรลุแล้วธรรมะเครื่องอยู่อันเป็นทิพย่อมเป็นอันโยคีบุคคล น, นั้นได้บรรลุแล้ว ละบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนายอมเป็นอัญโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้วชะนี้วัดแห่งการไปเยี่ยมป่าช้าวัดในที่นี้สะกดด้วยต่อเตารอเรือวัดคือข้อปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นโยคีบุคคลผู้ใด จะไปเยี่ยมดูป่าช้าเพื่อสํารวมจิตโยคีบุคคลผู้นั้นจงตีระครังยังคณะให้ประชุมกันเสียก่อนแล้วจึงไปก็แหลอันโยคีบุคคลพึงเป็นผู้มีกรร ม, มาฐานเป็นประธานไปอย่างเดียวดายไม่มีเพื่อนไม่ทอดทิ้งมูลกรร ม, มาฐานเป็นผู้มานสิการถึงมูลกรร ม, มาฐานนั้นไปพลางถือเอาไม้ค้อนหรือไม่เท้าไปด้วย เพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากสุนัขเป็นต้นที่ป่าชา้าทำสติไว้ไม่ให้หลงลืมโดยการยังความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นด้วยดีให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีใจไม่ลับออกไปข้างนอกโดยที่ทำอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่หกให้ถึงซึ่งความตั้งอยู่ภายในเมื่อจะออกจากวัดไปนั้นเล่า เพิงสังเกตประตูไว้ว่าเราออกไปโดยทางประตูโน้นในทิศโน้นแต่นั้นพึงกําหนดทางที่ตนไปไว้ว่าทางนี้ตรงไปทิศปราจีนทางนี้ตรงไปทิศปัดชิมทิศอุดรทิศทักษินหรือตรงไปยังทิศเฉียงอันหนึ่งณที่ตรงนี้ไปทางซ้ายณที่ตรงนี้ไปทางขวา และหน้าที่ตรงนี้แห่งอสุภะนั้นมีก้อนหินหน้าที่ตรงนี้มีจอมปลวกหน้าที่ตรงนี้มีต้นไม้หน้าที่ตรงนี้มีก่อไม้หน้าที่ตรงนี้มีเครือไม้อัญโยคีบุคคลนั้นพึงกำหนดทางไปโดยอาการอย่างนี้ไปสู่สถานที่แห่งนิมิเถิดอันหนึ่งอย่าไปทวนลม เพราะเมื่อไปทวนลมกลิ่นศพจะกระทบคานาประสาทและพึงทําเยื่อสมองให้อักเสบก็ได้จะพึงทําให้อาเจียนก็ได้จะพึงทําให้เกิดความร้อนใจว่าเรามายัางที่ทิ้งศพเห็นปานชนี้ได้ก็ได้เพราะเหตุฉะนั้นโยคีบุคคลพึงเว้นทางทวนลมและไปทางตามลมเถิดถ้าไม่สามารถ ที่จะไปโดยทางตามลมได้เพราะมีภูเขาเหวก้อนหินรั้วน้ำน้ำและลมกั้นอยู่ในระหว่างพึงเอาชายจีวรปิดจมูกไปเถิดนี้เป็นวัดของการไปแห่งโยคีบุคคลนั้นวิธียืนดูอสุภาก็แล อัญโยคีบุคคลผู้ไปถึงโดยอาการอย่างนี้แล้วอย่าพึ่งดูอสุภานิมิตโดยทันทีพึงกาหนดทิศทั้งหลายสะก่อนเพราะเมื่อยือนอยู่ในส่วนแห่งทิศอันหนึ่งอารมณ์ย่อมไม่ปรากฏแจ้งชัดทั้งจิตก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การงานเพราะเหตุนั้นพึงเว้นส่วนแห่งทิศนั้นเสียเมื่อยือนอยู่นส่วนแห่งทิศใด อารมณ์ย่อมปรากฏแจ้งชัดทั้งจิตก็เป็นสิ่งที่ควรแกการงานพึงอยู่ในส่วนแห่งทิศนั้นอันหนึง่งพึงเลี่ยงทิศทวนลมและทิศตามลมเสียด้วยเพราะเมื่อยืนอยู่ณทิศทวนลมถูกลินสพรบกวนเข้าจิตก็จะวิ่งพล่านไปเมื่ออยู่ณทิศตามลมถ้ามีพวกอมนุษย์สิงอยู่ณอสุภะนั้น มันก็จะโกรธเอาแล้วทำความชิบหายให้เพราะเหตุนั้นไม่พึงยืนนทิตทวนลมให้มากนักโดยเลี่ยงไปเสียเล็กน้อยอัญโยคีบุคคลแม้เมื่อยืนอยู่โดยประการดังพันานานั้นก็อย่ายืนนาที่ไกลเกินไปนาะที่ใกล้เกินไปอย่ายืนค่อนไปทางเท้าหรือค่อนไปทางศีรษะ เพราะเมื่อยืนใกลเกินไปอารมณ์ย่อมจะไม่แจ้งชัดเมื่อยืนใกล้เกินไปความกลัวก็จะเกิดขึ้นเมื่อยืนค่อนไปทางเท้าหรือค่อนไปทางศีรษะอสุภะก็จะไม่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งหมดเพราะเหตุนั้นโยคีบุคคลพึงยืนอยู่ตรงส่วนกลางตัวอันเป็นที่สะดวกสำหรับผู้ดูอสุภะไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไป จำเครื่องหมายต่างๆโดยรอบอาสุภาอัญโยคีบุคคลครันยืนอยู่อย่างนี้แล้วพึงสังเกตเครื่องหมายทั้งหลายโดยรอบๆซึ่งท่านกล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าโยคีบุคคลย่อมทาก้อนหินหรือเครือไม้นตตาบนนั้นให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันในข้อนั้นมีวิธีสังเกตดังต่อไปนี้ ถ้าในคลองจักสูโดยรอบแห่งนิมิตนั้นมีก้อนหินพึงกำหนดก้อนหินนั้นว่าก้อนหินนี้สูงหรือต่ำเล็กหรือใหญ่แดงดำหรือขาวยาวหรือกลมแต่นั้นพึงสังเกตได้ว่าณโอกาสตรงนี้นี้เป็นก้อนหินนี้เป็นอสุภานิมิตนี้เป็นอสุภานิมิตนี้เป็นก้อนหินถ้ามีจอมปลวก ก็พึงกำหนดแม้จอมปลวกนั้นว่าจอมปลวกนี้สูงหรือต่าเล็กหรือใหญ่แดงดำหรือขาวยาวหรือกลมแต่นั้นพึงสังเกตไว้ว่าณโนะอกาสตรงนี้นี่เป็นจอมปลวกนี่เป็นอสุภานิมิตถ้ามีต้นไม้พึงกำหนดแม้ต้นไม้นั้นว่าต้นไม้นี้เป็นต้นโพใบหรือเป็นต้นนิโครด เป็นต้นเตงรังหรือต้นมะขิดเป็นต้นสูงหรือต้นต่ำเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่แดงดำหรือขาวแต่นั้นพึงสังเกตไว้ว่าณโอกาสตรงนี้นี้เป็นต้นไม้นี้เป็นอสุภานิมิตถ้ามีกอไผ่พึงกำหนดแม้กอไม้นั้นว่ากอไม้นี้เป็นกอเป้งหรือกอเล็บเหี่ยวเป็นกอพุธ หรือกอว่านหางช้างเป็นกอสูงหรือกอต่ำเป็นกอเล็กหรือกอใหญ่แต่นั้นพึงสังเกตไว้ว่าณโนะอกาสตรงนี้นี้เป็นกอไม้นี้เป็นอสุภนิมิตถ้ามีเครือไม้พึงกําหนดแม้เครือไม้นั้นว่าเครือไม้นี้เป็นเครือน้ําเต้าหรือเครือฟักเป็นเครือหญ้านางหรือเครือกระพังโหม หรือเป็นเครือหัวด้วนแต่นั้นพึงสังเกตไว้ว่าณโอกาสตรงนี้นี้เป็นเครือไม้นี้เป็นอสุภานิมิตนี้เป็นอสุภานิมิตนี้เป็นเครือไม้ชนนี้ส่วนคําใดที่ท่านกล่าวไว้ว่าย่อมทําให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันย่อมทําให้เป็นอารมณ์ร่วมกันดังนั้น คำนั้นรวมลงในการกระทาซึ่งเครื่องหมายมีก้อนหินเป็นต้นนี้นั่นแหลเพราะเมื่อโยคีบุคคลกำหนดอยู่บ่อยๆยอมชื่อว่ากระทาให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันเมื่อกำหนดย่นสองอันเข้าด้วยกันอย่างนี้ว่านี้เป็นก้อนหินนี้เป็นอสุภานิมิตนี้เป็นอสุภานิมิตนี้เป็นก้อนหินดังนี้ชื่อว่ายอมทาให้เป็นอารมณ์ร่วมกัน ก็แหละครันโยคีบุคคลทำให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันและทำให้เป็นอารมณ์ร่วมกันอย่างนี้แล้วเพราะเหตุที่ท่านกล่าวไว้ว่าย่อมกำหนดโดยภาวะที่เป็นเองดังนี้ภาวะที่เป็นเองคือความไม่สาธารณะแก่สิ่งอื่นความเป็นตัวของตัวได้แก่ความขึ้นพองของอสุภะนั้นอันใดพึงมณสิกานโดยภาวะที่เป็นเองอันนั้น อธิบายว่าพึงกำหนดโดยภาวะของตนโดยรสของตนอย่างนี้คือความอืดความขึ้นพองถือเอานิมิตโดยอาการหกอย่างครั้นโยคีบุคคลกำหนดได้โดยประการอย่างนี้แล้วพึงถือเอานิมิตโดยอาการหกอย่างคือโดยสีหนึ่ง โดยเพศหนึ่งโดยสันทานหนึ่งโดยทิศหนึ่งโดยโอกาสหนึ่งและโดยปริเฉดหนึ่งถือเอานิมิตโดยอาการหกอย่างนั้นถือเอาอย่างไรอธิบายว่าอัญโยคีบุคคล น, นั้นพึงกำหนดโดยสีว่าร่างนี้ของคนผิวดำร่างนี้ของคนผิวขาวร่างนี้ของคนผิวสองสีอันหนึ่ง โดยเพศอยากกำหนดว่าเพศหญิงหรือเพศชายพึงกำหนดว่าร่างนี้ของคนที่ตั้งอยู่ในปฐมวัยร่างนี้ของคนที่ตั้งอยู่ในมชิมวัยหรือร่างนี้ของคนที่ตั้งอยู่ในปัจชิมวัยโดยสันฐานพึงกำหนดด้วยสามารถแห่งสันฐานของอสุภะที่ขึ้นพองนั่นแหละว่านี้เป็นสันฐานสีสะ นี้เป็นสันธานคอนี้เป็นสันธานมือนี้เป็นสันธานท้องนี้เป็นสันฐานสะดือนี้เป็นสันธารสะเอวนี้เป็นสันธารขาอ่อนนี้เป็นสันฐานแข้ง น, นี้เป็นสันฐ า, านเท้าของอสุภะที่ขึ้นผ่องนั้นอนหนึ่งโดยทิศพึงกําหนดว่าในร่างนี้มีทิศสองทิศคือทิศเบื้องตง่ํา ตั้งแต่สะดือลงมาทิศเบื้องสูงตั้งแต่สะดือขึ้นไปอีกในยะหนึ่งพึงกำหนดว่าเรายืนอยู่ในทิศนี้อสุภะอยู่ในทิศนี้อันหนึ่งโดยโอกาสพึงกำหนดว่ามือทั้งสองอยู่ณโอกาสตรงนี้เท้าทั้งสองอยู่ณโอกาสตรงนี้ศีรษะ อยู่ณโอกาสตรงนี้กลางตัวอยู่ณโอกาสตรงนี้อีกนัยยะหนึ่งพึงกำหนดว่าเรายือนอยู่ณโอกาสนี้อสุภนิมิตอยู่ณโอกาสนี้โดยปริเชษพึงกำหนดว่าร่างนี้เบื้องต่ำแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องบนแต่ปลายผมลงมา เบื้องขวางกําหนดด้วยหนังและในฐานะตามที่กําหนดนั้นเต็มไปด้วยศพส2สบองศพนั่นเที่ยวอีกนัยยะหนึ่งพึงกําหนดว่านี้เป็นตอนมือนี้เป็นตอนเท้านี้เป็นตอนศีรษะนี้เป็นตอนกลางตัวแห่งอสุภะที่ขึ้นผ่องนั่นเที่ยวและหรือตนถือเอาฐานะได้ประมาณเท่าใด พึงกำหนดถือเอาฐานะเท่านั้นนั่นแหละ ว, ว่าร่างเช่นนี้นี้เป็นอสุภะที่ขึ้นพองอันหนึ่งร่างของสตรียอมไม่ควรแก่บุรุษหรือร่างของบุรุษย่อมไม่ควรแก่สตรีในร่างที่มีส่วนขัดกันอารมณ์ย่อมไม่ปรากฏมีแต่จะเป็นปัจจัยแก่ความกวัดแกงไปเท่านั้น พระอัตฐกะถาจารย์กล่าวไว้ในอัฏฐกถามาชิมะนิกายว่าจริงอยู่สตรีแม้จะเป็นร่างอันนาเกลียดแล้วก็ตามก็ยังครอบงำจิตของบุรุษไว้ได้ดังนี้เพราะเหตุนั้นโยคีบุคคลพึงถือเอานิมิตโดยอาการหกอย่างดังพันานามาแล้วนั้นเฉพาะแต่ในร่างที่มีส่วนเข้ากันได้เท่านั้น ก็แหละกุลบุตรได้มีกรรมฐานอันได้สองเสษไ้แล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมีทุดงอันบริหารแล้วมีมหาพูต ร, รูปอันย่ำยีแล้วมีสังขารอันได้กำหนดรู้แล้วมีนามรูปอันกำหนดแยกแล้วมีความสำคัญว่าสัตว์อันได้เพิกถอนแล้วมีสมณธรรมอันได้บำเพ็ญแล้ว มีวาสนาอันได้อบรมแล้วมีภาวนาอันได้เจริญแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนผู้มีพืชมีญาณอันยอดยิ่งมีกิเลสน้อยปฏิภาคคนิมิตย่อมปรากฏแก่กุลบุตรนั้นตรงฐานะที่มองดูแล้วมองดูแล้วนั่นแลถ้าหากว่าปฏิภาคคนิมิตไม่ปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ แนั้นก็จะปรากฏโดยการถือเอานิมิต ด, ด้วยอาการหกอย่างดังพันนนามาถือเอานิมิตโ ด, ดยอาการห้าอย่างก็และแม้จะได้ถือเอานิมิต ด, ด้วยอาการหกอย่างดังพันนนาแล้วนั้นปฏิภาคานิมิตก็ไม่ปรากฏแก่โยคีบุคคลใด อัญโยคีบุคคล น, นั้นพึงถือเอานิมิต ด, ด้วยอาการห้าอย่างแม้ต่อไปนี้คือโดยที่ต่อหนึ่งโดยช่องหนึ่งโดยที่ว้าหนึ่งโดยที่นูนหนึ่งโดยรอบรอบหนึ่งในอาการห้าอย่างนั้นคำว่าโดยที่ต่อคือโดยที่ต่อร้อยแป่สิบแหงถามก็แล ในอสุภะที่ขึ้นพองจะ ก, กำหนดที่ต่อร้อยแปดสิบแห่งอย่างไรตอบเพราะเหตุนั้นอัญโยกีบุคคล น, นั้นพึงกำหนดโดยที่ต่อด้วยสามารถแห่งที่ต่อใหญ่ๆสิบสี่แห่งอย่างนี้คือที่ต่อข้อมือขวาสามแห่งที่ต่อข้อมือซ้ายสามแห่งที่ต่อเท้าขวาสามแห่งที่ต่อเท้าซ้ายสามแห่งที่ต่อคอหนึ่งแห่ง ที่ต่อเซลอวหนึ่งแห่งคำว่าโดยช่องความว่าพึงกำหนดโดยช่องอย่างนี้คือช่องมือช่องเท้าช่องท้องช่องหูชื่อว่าช่องแม้ในตาทั้งสองที่หลับหรือลืมและปากที่ปิดหรือเปิดก็พึงกำหนดได้คำว่าโดยที่ว้าความว่า ที่ที่ว้าวในร่างศพอันใดได้แก่เบ้าตาภายในปากหรือหลุมคอพึงกาหนดที่ที่ว้าวนั้นอีกอย่างหนึ่งพึงกำหนดว่าเราอยู่ณที่ลุ่มร่างศพอยู่ณที่ดอนคำว่าโดยรอบรอบความว่าพึงกำหนดร่างศพทั้งหมดโดยรอบรอบคือส่องยานไปในร่างศพ ท, ทั้งสิ้นแล้ว ที่ตรงไหนปรากฏแจ่มชัดพึงตั้งจิตไว้ณที่ตรงนั้นว่าอุทุมาตะกังอุทุมาตะกังหรือว่าอาสุภะที่ขึ้นพองอสุภะที่ขึ้นพองฉะนี้ถ้าปฏิภาคณิมิตยังไม่ปรากฏแม้ด้วยการกําหนดอย่างนี้ตรงที่สุดแห่งท้องย่อมเป็นสิ่งที่ขึ้นพองมากกว่าโยคที่บุคคล ตั้งจิตไว้ณที่ตรงที่สุดแห่งท้องนั้นโดยบริกรรมว่าอุทุมาตะกังอุทธุมาตะกังหรือว่าอสุภะที่ขึ้นพองอสุภะที่ขึ้นพองฉนี้ได้อุคหะนิมิตบัตรนี้จะวินิจฉัยในคําทั้งหลายมีคําว่าโยคีบุคคลนั้น ย่อมกระทาซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นอันถือเอาด้วยดีแล้วเป็นต้นดังต่อไปนี้อัญโยคีบุคคล น, นั้นพึงถือเอานิมิต ด, ด้วยดีตรงที่ร่างศพนั้นด้วยสามารถแห่งการถือเอานิมิตตามที่กล่าวมาแล้วพึงนึกทมสติให้ปรากฏด้วยดีพึงทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆใคร้ครวนและกำหนดให้ดีนั่นเทียว พึงยืนหรือนั่งอยู่ตรงที่ไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปแต่ร่างศพลืมตาขึ้นดูจับเอานิมิตพึงลืมตาดูหลับตานึกร้อยครั้งพันครั้งโดยบริกรรมว่าอาสุภะขึ้นพองน่าเกลียดอาสุภะขึ้นพองน่าเกลียดเมื่อทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้าอุคะนิมิต ก็จะเป็นอัญโยคีบุคคลถือเอาด้วยดีแล้วถามอุคขานิมิตย่อมเป็นอัญโยคีบุคคลถือเอาด้วยดีแล้วเมื่อไหร่ตอบการใดเมื่อโยคีบุคคลลืมตาดูแลหลับตานึกอยู่นั้นนิมิตมาสู่คลองจากสุเป็นเสมือนอันเดียวกันการนั้นชื่อว่าอุคหานิมิต เป็นอนัญโยคีบุคคลถือเอาด้วยดีแล้วกลับจากป่าช้าโยคีบุคคลนั้นรั้นธรรมนิมิตนั้นให้เป็นอันถือเอาด้วยดีแล้วใครครวนนิมิตนั้นให้เป็นอันใครครวนด้วยดีแล้วกำหนดนิมิตนั้นให้เป็นอันกำหนดด้วยดีแล้วโดยประการดังกล่าวมา ถ้าไม่สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งภาวนาณนะตรงที่อาสนะนั้นนั่นแหละลำดับนั้นอัญโยคีบุคคลนั้นพึงเป็นผู้เดียวดายไม่มีเพื่อนสองโดยในยะที่กล่าวไว้แล้วในเวลามานั่นเทียวมนาสิกาถึงกรรมฐานนั้นนั่นแหละพึงทำสติให้ปรากฏด้วยดีมีอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในภายในมีใจไม่ลับออกไปข้างนอก เดินไปสู่เสนาสนะของตนนั่นเถิดกำหนดทางมาเป็นต้นอนหนึ่งเมื่อจะออกจากปราช้านั้นโยคีบุคคลพึงกำหนดทางมาไว้ว่าเราออกมาโดยทางใดทางนี้ตรงไปสู่ทิศปราจีนหรือทางนี้ตรงไปสู่ทิศปัจฉิมทิศอุดรหรือทิศทักษิณ หรือทางนี้ตรงไปสู่ทิศเฉียงและณสถานที่ตรงนี้ไปทางซ้ายณสถานที่ตรงนี้ไปทางขวาอันหนึ่งณสถานที่ตรงนี้แห่งอุทุมาตะอสุภะนั้นมีก้อนหินณสถานที่ตรงนี้มีจอมปลวกณสถานที่ตรงนี้มีต้นไม้ณสถานที่ตรงนี้มีก่อไม้ณสถานที่ตรงนี้มีเครือไม้ โยคยีบุคคลกำหนดทางมาอย่างนี้มาถึงสถานที่แล้วแม้เมื่อจะเดินจงกรมพึงอธิษฐานจงกรมอันเป็นไปในส่วนแห่งอสุภานิมิตนั้นนั่นเทียวอธิบายว่าพึงเดินจงกรมณนะภูมิประเทศอันผินหน้าสู่ทิศแห่งอสุภานิมิตเมื่อจะนั่งก็พึงปูราดแมอาสนะที่เป็นไปในส่วนแห่งอสุภานิมิตนั้นนั่นเทียว ก็แหละถ้าณทิพนั้นมีบ่อน้ำเหวต้นไม้รัว้วหรือเปลือกตมกั้นอยู่ไม่สามารถที่จะเดินจงกรมตรงภูมิประเทศอันพินหน้าสู่ทิ์แห่งอสุภานิมิตนั้นได้แม่อาสนะก็ไม่อาจปูลาดได้เพราะไม่มีโอกาสไม่ต้องเหลียวไปดูทิศนั้นก็ได้พึงเดินจงกรมและนั่งนาทีอันสมควรแก่โอกาสนั้นเถิด แต่ต้องทำจิตให้มุ่งหน้าตรงไปสู่ทิศแห่งอสุภะนั้นให้จงได้อธิบายข้อความว่ามีความไม่หลงเป็นประโยชน์เป็นต้นบรรดาปัญหาทั้งหลายมีอาทิว่าการกำหนดนิมิตโดยรอบๆมีอะไรเป็นประโยชน์บัดนี้จะอธิบายในคำวิสัชนาข้อว่า มีความไม่หลงเป็นประโยชน์เป็นต้นดังต่อไปนี้ก็เมื่อโยกขี่บุคคลใดไปยังสถานที่แห่งนิมิตที่ขึ้นผองในเวลาอันไม่สมควรทำความกำหนดนิมิตโดยรอบๆแล้วลืมตาดูเพื่อจับนิมิตอยู่นั่นแลร่างศพนั้นจะปรากฏเป็นเหมือนลุกขึ้นยืนเหมือนจะมาทับและเหมือนติดตามไป โยคีบุคคล น, นั้นครั้นเห็นอารมณ์อันน่ากลัวน่าหวาเสียวนั้นแล้วก็จะเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านเหมือนจะเป็นบ้าย่อมจะถึงความกลัวความสะดุง้งหวาเสียวความขนพองเพราะว่าในบรรดาอารมณ์กรรมฐานสามแปดอย่างที่ท่านจำแนกไว้ในพระบาลีอารมณ์อื่นๆที่จะเป็นอารมณ์น่ากลัวเห็นปานชนีย่อมไม่มีเพราะในกรรมฐานบทนี้ โยคยีบุคคลชื่อว่าเป็นผู้หมุนหนีออกจากฌานเพราะเหตุไรเพราะกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่น่ากลัวอย่างยิ่งด้วยเหตุนั้นโยคยีบุคคลนั้นพึงยั้งใจไวทธรมสติให้ปรากฏด้วยดีแล้วพึงบรรเทาความหวาดเสียวโดยตรหนักว่าร่างของคนตายแล้วที่จะลุกขึ้นมาติดตามหามีไหม จรงอยู่ถ้าก้อนหินหรือเครือไม้ที่อยู่ใกล้แห่งอสุภานิมิตนี้นั้นจะพึงเดินมาได้แม้ร่างศพ ก, ก็จะพึงเดินมาได้แท้จริงก้อนหินหรือเครือไม้นั้นย่อมเดินมาไม่ได้ฉันใดแม้ร่างศพ ก, ก็เดินมาไม่ได้ฉันนั้นอนหนึ่งอาการที่ปรากฏแก่เธอนี้มันเกิดจากสัญญา มีสัญญาเป็นแดนเกิดกรรมฐานจะปรากฏแก่เธอในวันนี้เธออย่ากลัวเลยภิกษุครั้นแล้วพึงยังความร่าเริงให้เกิดขึ้นพึงยังจิตให้คิดไปในอสุภานิมิตนั้นนั่นเถิดโยคีบุคคลนั้นจะบรรลุถึงซึ่งคุณธรรมอันพิเศษด้วยวิธีดังที่พันณา ม, มานี้คำว่าการกำหนดนิมิตโดยรอ บ, รอบ มีความไม่หลงเป็นประโยชน์นั้นท่านกล่าวหมายเอาอั ธ, ธิบายนี้ประโยชน์แห่งการถือเอานิมิตโดยวิธีสิบเอ็ดอย่างก็แหละเมื่อโยคีบุคคลทำการถือเอานิมิตโดยวิธีสิบเอ็ดอย่างให้สำเร็จอยู่ชื่อว่าผูกกรรมฐานไว้เป็นความจริง อุขหานิมิตย่อมเกิดขึ้นเพราะมีการลืมตาดูของโยคีบุคคลนั้นเป็นปัจจัยเมื่อโยคีบุคคลนั้นทำภาวนาจิตให้เป็นไปในอกขหานิมิตนั้นอยู่ปฏิภาคานิมิตจะเกิดขึ้นเมื่อโยคีบุคคลทำภาวนาจิตให้เป็นไปในปฏิภาคานิมิตนั้นอยู่ก็จะบรรลุถึงซึ่งอปปนาชาณ โยคียบุคคลดำรงตนอยู่ในอัปนาชาลแล้วเจริญวิปัสนาต่อไปก็จะทำให้แจ้งซึ่งพระอระหัสตด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการถือเอานิมิตรโดยวิธีส1บอ็ดอย่างมีอันผูกพันจิตไว้เป็นประโยชน์ชนนี้ประโยชน์แห่งการพิจารณาทางไปทางมา ก็แลในคำว่าการพิจารณาทางไปและทางมามีอัญยางวิธีให้ดําเนินไปโดยชอบเป็นประโยชน์นี้นั้นมีอธิบายว่าการพิจารณาทางไปและทางมาอันใดที่ท่านกล่าวไว้แล้วการพิจารณานั้นมีอันธรรมวิธีแห่งพระกรรมฐานให้ดําเนินไปโดยชอบเป็นประโยชน์อธิบายว่า ถ้าภิกษุนี้รับเอาพระกรรมฐานแล้วเดินมาอยู่ใครๆถามถึงวันว่าวันนี้ดีทีเท่าไรขอรับก็ดีถามปัญหาก็ดีกระทำการปฏิสันฐานก็ดีในระหว่างทางเธอจะนิ่งแล้วไปเสียโดยถือว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานดังนี้หาควรไม่ต้องบอกวันต้องแก้ปัญหาถ้าไม่ทราบก็ต้องบอกว่า ขพเจ้าไม่ทราบต้องทำการปฏิสันทารันเป็นธรรมเมื่อโยคีบุคคลทำอยู่อย่างนี้อุคหานิมิตซึ่งเป็นนิมิตที่ยังอ่อนก็จะเสื่อมไปซะถึงแม้อุคหนิมิตนั้นจะเสื่อมไปก็ตามเมื่อถูกถามถึงวันนี้ก็จำที่จะต้องบอกโดยแท้เมื่อไม่ทราบปัญหาก็จะต้องบอกว่าไม่ทราบเมื่อทราบอยู่ แม้จะตอบโดยเอกเทศก็ควรแม้การปฏิสันทานก็จําต้องทำอันหนึง่งครั้นเห็นภิกษุอคันตุ ก, กะแล้วก็ต้องทําการปฏิสันทานต่อภิกษุอคันตุกะด้วยจําต้องบําเพ็ญวัดทั้งหลายในคัมภีกันตกะทุกอย่างแม้ที่เหลือเช่นวัดในลานพระเจดีวัดในที่นี้สะกดด้วยต่อเต่ารอเรือนะครับ วัดในลานพระศรีมหาโพธิ์วัดในอุปโปสธาคารวัดในโรงฉันวัดในเรือนไฟอาจาริยาวัดอุปชาัยาวัดอาคัรตุกาวัดและคมิกาวัดเป็นต้นแม่เมื่อภิกษุนั้นมามัวบำเพ็ญวัดเหล่านั้นอยู่นิมิต ท, ที่อ่อนนั้นก็จักเสื่อมไปแม่เมื่อโยคีบุคคล น, นั้นมีความประสงค์จะไปด้วยคิดว่า เราจักไปถือเอานิมิตอีกก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในป่าช้าได้เพราะอันพวกมนุษย์หรือพวกสัตว์ร้ายเข้ากีดกันเสียแล้วหรือมิฉะนั้นนิมิตก็กลับกลายไปแล้วจริงอยู่อสุภะที่ขึ้นพองดำรงอยู่ได้เพียงวันเดียวหรือสองวันเท่านั้นก็จะถึงซึ่งภาวะเป็นอสุภะมีสีเขียวคละด้วยสีต่างๆเป็นต้นไป ในบรรดากรรมฐานทั้งหมดที่ชื่อว่ากรรมฐานอันหาได้ยากเสมอด้วยกรรมฐานบทนี้หามีไม่เพราะเหตุนั้นเมื่อนิมิตเสื่อมไปแล้วอย่างนี้อันภิกษุนั้นนั่งอยู่ณที่พักกลางคืนหรือณที่พักกลางวันแล้วพึงพิจารณาถึงทางไปและทางมาจนถึงที่นั่งคูบัลังอย่างนี้ว่าเราออกจากวัดไปโดยประตูชื่อนี้ เดินไปสู่ทางที่ตรงไปสู่ทิศโนนณที่ตรงโน้นจับเอาทางซ้ายณที่ตรงโน้นจับเอาทางขวาณที่โนนแห่งอสุภานิมิตนั้นมีก้อนหินณที่ตรงโน้นมีจอมปลวกต้นไม้ก่อไม้หรือเครือไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเหล่านั้นครั้นแล้วไปโดยทางนั้นได้เห็นอสุภะในที่ชื่อโนนณที่ตรงนั้น เรายืนผินหน้าไปสู่ทิศโน้นกำหนดนิมิต ท, ทั้งหลายโดยรอบอย่างนี้และอย่างนี้จึงถือเอาอสุภนิมิตอย่างนี้แล้วออกจากป่าชาทางทิศโน้นกระทากิจสิ่งนี้ตามทางเห็นป่า น, นี้แล้วมานั่งอยู่ณที่ตรงนี้เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่อย่างนี้นิมิตนั้นก็จะปรากฏคือยอมปรากฏเหมือนวางไว้ข้างหน้า ระกรรมฐานย่อมดำเนินไปสู่วิถีโดยอาการเดิมนั่นเทียวด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการพิจารณาทางไปและทางมามีอันยังวิถีให้ดำเนินไปโดยชอบเป็นประโยชน์ชนีผูกจิตไว้ในอสุภนิมิต บัดนี้จะอธิบายในคําของอัตถกาถาจาร์ข้อว่าโยคีบุคคลเป็นผู้มีปกติมองเห็นอนิสงเป็นผู้มีความสําคัญเห็นเป็นรัตนะเข้าไปตั้งความเคารพไว้ประพฤติให้เป็นที่รักอย่างสนิทอยู่ย่อมผูกพันจิตไว้ในอารมณ์นั้นดังนี้ต่อไปอันโยคีบุคคลพึงรมภาวนาจิต ให้เป็นไปในอสุภะที่ขึ้นพองอย่างน่าเกลียดทำฌานให้บังเกิดแล้วเจริญวิปัสสนาอันมีฌานเป็นประทัดฐานอยู่พึงเป็นผู้มีปกติมองเห็นอนิสงส์อย่างนี้ว่าเราจะหลุดพ้นจากชราทุกขและมรณะทุกข์ด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นแน่แท้ก็แลเหมือนอย่างว่าบุรุษเข็นใจได้แก้วมณีอันมีค่ามากแล้ว เป็นผู้มีความสำคัญในแก้วมณีนั้นเป็นรัตนะว่าเราได้สิ่งอันหาได้ด้วยยากแล้วหนอจึงทำความเคารพให้เกิดแล้วประพฤติให้เป็นที่รักด้วยความรักอันกว้างขวางพึงรักษาแก้วมณีนั้นไว้ฉันใดอัญโยคีบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเป็นผู้มีความสำคัญในอสุภณิมิตนั้นเป็นรัตนะว่ากรรมฐานซึ่งหาได้ด้วยยากนี้ เราได้แล้วเป็นเช่นกับแก้วมณีที่มีค่ามากของบุรุษเข็นใจเพราะว่าผู้เจริญจตุธาธกรรมฐานย่อมกำหนดมหาพูทธรูปทั้งสี่ของตนผู้เจริญอนาปานากรรมฐานย่อมกำหนดลมที่นาสิกของตนผู้เจริญกษินกรรมฐานทำรูปกษินแล้วย่อมจเจริญได้ตามความสบาย ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้กรรมฐานทั้งหลายนอกนี้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่หาได้ด้วยง่ายส่วนอุทุมาตกะอสุภกรรมฐานนี้ดำรงสภาพอยู่ได้เพียงวันเดียวหรือสองวันเท่านั้นหลังจากนั้นไปย่อมถึงภาวะเป็นวินีละกะอสุภกรรมฐานเป็นตน้นเพราะฉะนั้น กรรมฐานที่หาได้ด้วยยากยิ่งไปกว่าอุตทุมาตะอสุภะกรรมฐานนี้จึงไม่มีฉันนี้แล้วพึงเข้าไปตั้งความเคารพไว้ประพฤติให้เป็นที่รักอย่างสนิทรักษานิมิตนั้นไว้พึงผูกจิตไว้เสมอๆในอสุภะนิมิตนั้นทั้งณที่พักกลางคืนทั้งณที่พักกลางวันโดยบริกรรมว่า อสุภะขึ้นพองหน้าเกลียดอสุภะขึ้นพองน่าเกลียดพึงนึกพึงมณสิการถึงนิมิตนั้นบ่อยๆพึงทําให้เป็นนิมิตอันความตรึกตล่อมไว้แล้วอันวิตกตล่อมไว้แล้วเมื่อโยคีบุคคลนั้นกระทําอยู่โดยประการดังกล่าวมาปฏิภาคหนิมิตย่อมบังเกิดขึ้น ความต่างกันแห่งนิมิต ท, ทั้งสองในอุตุมาตกะอสุภะนั้นความต่างกันแห่งนิมิต ท, ทั้งสองดังนี้อุคหานิมิตยอมปรากฏเป็นสิ่งผิดรูปผิดร่างหน้าหวาดเสียวดูหน้าสะพรึงกลัวส่วนปฏิภาคนิมิต ย่อมปรากฏเหมือนคนมีองค์อวัยวะอ้วนผีที่กินอิ่มแล้วนอนละนิวรห้าได้พร้อมกับได้ปฏิภาคนิมิตในเวลาพร้อมกับได้ปฏิภาคนิมิตนั่นแหละโยคีบุคคล น, นั้นย่อมละกามฉันทานิวรได้ด้วยอำนาจวิคัมปนาประหาร เพราะไม่มนติการถึงกามทั้งหลายอันเป็นภายนอกและแม้พยาปาทะนิวร อ, อันโยคีบุคคล น, นั้นก็ละได้เพราะประหารความยินดีเสได้นั่นเองเหมือนละหนองเสดได้ก็เพราะละโลหิตฉนั้นทีนามิทะนิวรเป็นอัญโยคีบุคคล น, นั้นละได้เหมือนกันเพราะเป็นผู้มีความเพียรปรารพแล้ว อุทธจกักกุตจานิวรก็เป็นอันละได้เพราะอำนาจประกอบด้วยธรรมะอันสงบที่ไม่ทำความร้อนใจให้วิจิกิจานิวรในศาสดาผู้แสดงข้อปฏิบัติก็ดีในข้อปฏิบัติก็ดีในผลแห่งการปฏิบัติก็ดีก็เป็นอันละได้เพราะคุณอันวิเศษที่บรรลุแล้วเป็นสภาพประจักษ์แจ้ง เป็นอัญโยคีบุคคลนั้นละนิวรณได้ครบทั้งห้าด้วยประการชนนี้องค์ฌานห้าปรากฏอันหนึ่งวิตกทำหน้าที่ยกจิตขึ้นไว้ในนิมิตนั้นนั่นแหลวิจารทากิจคือพิจารณานิมิตให้สำเร็จอยู่ เพราะมีอันได้การบรรลุคุณวิเศษเป็นปัจจัยปีติย่อมปรากฏเพราะปัจสถิสำเร็จแก่ผู้มีใจประกอบด้วยปีติปัจสถิย่อมปรากฏสุขซึ่งมีปัจสถินนั้นเป็นเหตุย่อมปรากฏและเพราะจิตตสมาธิสำเร็จแก่ผู้ที่มีความสุขเอกะขะตาซึ่งมีความสุขเป็นเหตุย่อมปรากฏ เป็นอันองค์ชานทั้งหลายปรากฏเกิดขึ้นด้วยประการชนีแม่อุปจาราชานอันเป็นเครื่องรองรับปฐมชาญก็บังเกิดแก่โยคีบุคคลนั้นในขณะพร้อมกันนั้นนั่นเทียวอธิบายทุกๆุกอย่างตั้งแต่นี้ไปจนถึงอปปนาชาญและความสำเร็จเป็นวสีแห่งปฐมชาญ นักศึกษาพึงทราบโดยในยะที่พันนาเวแล้วในปฐวีกสินนั่นเทินอธิบายอสุภะกรรมฐานที่เหลือ9ก้าอย่างก็แลแม้ในอสุภกรรมฐานทั้งหลายมีวินีลกะอสุภะเป็นต้นหลังแต่อุทุมาตกะอสุภะนี้ไป ลักษณะอันใดตั้งต้นแต่การไปดูอสุภะซึ่งท่านแสดงไว้โดยนัยยะมีอาธิว่าโยคีบุคคลเมื่อจะเรียนเอาอสุภะนิมิตชนิดที่ขึ้นพองจึงไปอย่างเดียวดายไม่มีเพื่อนโดยมีสติตั้งมั่นไปดังนี้นักศึกษาพึงทราบลักษณะอันนั้นพร้อมทั้งวินิจฉัยและอธิบายตามนัยยะที่แสดงไว้แล้วนั่นแล เปลี่ยนเพียงแต่บทว่าอุทุมาตากะตรงที่อสุภานั้นๆไปตามอสุภานิมิตนั้นๆอย่างนี้ว่าโยคีบุคคลเมื่อจะเรียนเอาอสุภานิมิตชนิดที่มีสีเขียวคละด้วยสีต่างๆโยคีบุคคลเมื่อจะเรียนเอาอสุภานิมิตชนิดมีหนองไหลยเยิ้มชนิดส่วนอถาธิบายที่แปลกกันดังต่อไปนี้ วิธีเจริญวินีละกะอสุภกรรมฐานในวินิลกกะอสุภกรรมฐานโยคีบุคคลพึงยังมนาสิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่าอสุภะมีสีเขียวคละด้วยสีต่างๆน่าเกลียดอสุภะมีสีเขียวคละด้วยสีต่างๆน่าเกลียดดังนี้และในกรรมฐานบทนี้อุกหนิมิต ยอมปรากฏเป็นสีด่างพร้อยไปส่วนปฏิภาคคนิมิตยอมปรากฏโดยเป็นสีหนาทึบวิธีเจริญวิปุภกะอสุภะกรรมฐานในวิปุภกะอสุภะกรรมฐานโยคีบุคคลพึงยังมาสิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่าอาสุภะมีหนองไหลยเยิ้มน่าเกลียด อสุภะมีหน้องไหลเยิ้มหน้าเกลียดดังนี้ก็แลในกรรมฐานบทนี้อุกหานิมิตย่อมปรากฏเป็นเหมือนน้องไหลอยู่ปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏเป็นอาการหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนที่วิธีเจริญวิจิตกะอสุภะกรรมฐาน อสุภะที่ขาดเป็นท่อนจะหาได้ก็ตรงที่บริเวณสนามรบที่ดงโจรที่สุสารหรือที่ที่พระราชาทรงรับสั่งให้ประหารพวกโจรมิฉะนั้นก็ตรงสถานที่ที่คนถูกพวกสีหและเสือกัดขาดไว้เพราะเหตุนั้นโยคีบุคคลไปยังสถานที่เห็นปานดังนั้นแล้วถ้าแม้ว่าอสุภะที่ขาดเป็นท่อน ตึงตกอยู่ในทิศ ต, ต่างๆมาถึงคลองจากสุได้ด้วยอาวัชนะจิตอันเดียวข้อนี้นับว่าเป็นการดีถ้าไม่มาก็อย่าเอามือไปจับต้องเองเพราะเมื่อโยคีบุคคลจับต้องก็จะถึงซึ่งความเคยชินไปเสียเพราะเหตุนั้นพึงใช้คนวัดหรือสามเณรหรือใครๆอื่นให้ทาอสุภะที่ตกอยู่ในทิศ ต, ต่างๆนั้น รวมเข้าในที่แห่งเดียวกันเมื่อหาคนอื่นไม่ได้พึงเอาไม้เท้าหรือไม้ท่อนเขี่ยเข้ามาทำระว่างไว้องคุลีหนึ่งรั้นเขี่ยเข้ามาไว้โดยประการดังนี้แล้วโยคีบุคคลพึงยังมนาสิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่าอสุภะขาดเป็นท่อนน่าเกลียดอสุภะขาดเป็นท่อนน่าเกลียดดังนี้ ในกรรมฐานบทนี้นั้นอุคหาณิมิตย่อมปรากฏเป็นดุจทะลุกลางตัวส่วนปฏิภาคานิมิตย่อมปรากฏเป็นร่างที่บริบูรณ์นั่นเทียววิธีเจริญวิคายิตกะอสุภกรรมฐานในวิคายิตกะอสุภกรรมฐานโยคีบุคคลพึงยังมนสิการให้เป็นไป ด้วยบริกรรมว่าอาสุภาษะที่สัตว์กัดกินน่าเกลียดอสุภาษะที่สัตว์กัดกินน่าเกลียดดังนี้ก็แลในกรรมฐานบทนี้อุคหานิมิตยอมปรากฏเป็นเสมือนร่างซึ่งถูกสัตว์กัดณที่นั้นๆปฏิภาคานิมิตยอมปรากฏเป็นร่างที่บริบูรณ์นั่นเทียว วิธีเจริญวิคิดตะกะอสุภะกรรมฐานแม้อสุภะที่กระจัดกระจายอัญโยคีบุคคลพึงใช้คนอื่นทำหรือทำเองใหห่างระหว่างองคูลีหนึ่งโดยในยะที่อธิบายไว้แล้วในอสุภะที่ขาดเป็นท่อนนั่นแหละแล้วพึงยังมนาศิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่าอสุภะที่กระจัดกระจายน่าเกลียดอสุภะที่กระจัดกระจายน่าเกลียด ดังนี้ในกา ร, รมัฐานบทนี้อุคหาณิมิตย่อมปรากฏเป็นร่างมีระหว่างปรากฏส่วนปฏิภาคานิมิตย่อมปรากฏเป็นร่างบริบูรณ์นั่นเทียววิธีเจริญหัตถวิกิตตะอสุภะกรรมฐานแม้อสุภะที่ถูกฟันกระจัดกระจาย ก็ย่อมหาได้นสถานที่ทั้งหลายซึ่งมีประการดังอธิบายไว้แล้วในอสุภะที่ขาดเป็นท่อนนั่นแหละเพราะเหตุนั้นโยคีบุคคลครันไปถึงนสถานที่นั้นแล้วพึงใช้คนอื่นทมหรือทำเองให้ห่างระหว่างองคุลีหนึ่งโดยในยะที่กล่าวมาแล้วนั่นเทียวแลวพึงยังมณสิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่าอสุภะที่ถูกฟันกระจัดกระจายน่าเกลียด อสุภะที่ถูกฟันกระจัดกระจายน่าเกลียดดังนี้ก้อแลงในกรรมฐานบทนี้ปกุกหะนิมิตยอมปรากฏเหมือนมีปากแผลที่ถูกฟันปรากฏอยู่ปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏเป็นร่างที่บริบูรณ์นั่นเทียววิธีเจริญโลหิตกะอสุภะกรรมฐาน อสุภะที่มีโลหิตไหลย่อมจะหาได้ในเวลาที่มันไหลออกจากปากแผลของคนผู้ได้รับการประหารในสนามรบเป็นต้นหรือในเมื่อมื อ, มอและเท้าเป็นต้นถูกตัดขาดหรือในเวลาที่มันไหลออกจากปากแผลของคนมีฝีและต่อมแตกเพราะเหตุ น, นั้นอันโยคีบุคคลครันเห็นโลหิตอันไหลอ ย, อยู่นั้นแล้วพึงยังมนัศิการให้เป็นไป ด้วยบริกรรมว่าอาสุภะมีโลหิตไลหลน่าเกลียดอสุภะมีโลหิตไลหลน่าเกลียดดังนี้ในกรรมฐานบทนี้อุกหะนิมิตยอมปรากฏมีอาการไหวอยู่เหมือนธงผ้าแดงที่ถูกลมพัดส่วนปฏิภาคานิมิตยอมปรากฏเป็นอาการหยุดนิ่งอยู่ วิธีเจริญปุลุวักะอสุภกรรมฐานอาสุภะที่มีนอนเกลื่อนกลาดย่อมมีได้ในเวลาที่หมูนอนชอนออกจากปากแผลก้าวแห่งของศกโดยล่วงไปได้สองถึงสามวันก็แหลปุลุวักะอสุภะนั้นย่อมดำรงสภาพอยู่เหมือนกองข้าวสุกแห่งข้าวสาลีมีขนาดเท่าร่างสุนัก สุนัขจิ้งจอกมนุษย์โคกระบือช้างมา้าหรืองูเหลือมเป็นต้นนั่นเทียวในบรรดาร่างของสุนัขเป็นต้นเหล่านั้นอัญโยคีบุคคลพึงยังมนาสิการให้เป็นไปในร่างของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยบริกรรมว่าอาสุภะมีนอนเกลื่อนกลาดน่าเกลียดอสุภะมีนอนเกลื่อนกลาดน่าเกลียดดังนี้ เป็นความจริงนิมิตในศพช้างซึ่งอยู่ภายในบึงกาลธีฆะก็ได้ปรากฏแก่พระจุลปินทปาติกะติสตะเทระก็แหละในกรรมฐานบทนี้อุคหานิมิตยอมปรากฏเป็นเสมือนเคลื่อนไหวอยู่ปฏิภาคนิมิตยอมปรากฏเป็นอาการหยุดนิ่งเหมือนกองข้าวสุกแห่งข้าวสาลี วิธีเจริญอธิกะอสุภะกรรมฐานอธิกะอสุภะคืออสุภะที่เป็นกระดูกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยประการต่างๆโดยในยะมีอาธิว่าภิกษุนั้นพึงเห็นร่างที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นร่างกระดูอย่างมีเนื้อและเลือดมีเอ็นยึดอยู่ดังนี้ ร่างกระดูกนั้นเขาทิ้งไว้ณที่ตรงไหนอันโยคีบุคคลพึงไปณที่ตรงนั้นโดยในยะที่กล่าวมาแล้วในอุตุมาตกะอสุภะนั่นและครั้นแล้วพึงทำให้เป็นเครื่องหมายร่วมกันทำให้เป็นอารมณ์ร่วมกันด้วยอํานาจแห่งวัตถุทั้งหลายมีก้อนหินโดยรอบเป็นต้นพึงกำหนดภาวะที่เป็นเองว่าร่างนี้เป็นกระดูก แล้วพึงถือเอาซึ่งนิมิตโดยอาการสิบเอ็ดอย่างด้วยอำนาจสีเป็นต้นต่อไปกำหนดนิมิตโดยอาการสิบเอ็ดอย่างก็แหลเมื่อโยคีบุคคลดูกระดูกโดยสีว่าขาวกระดูกนั้นก็จะไม่ปรากฏโดยเป็นสภาวะย่อมจะปนกับโอทาตัสินคือกระสินสีขาวไปซะ เพราะเหตุนั้นโยคีบุคคลพึงดูกระดูดโดยความเป็นของปฏิกูลเท่านั้นคำว่าโดยเพศณที่นี้เป็นชื่อของอวัยวะมีมือเป็นต้นเพราะเหตุนั้นโดยเพศโยคีบุคคลพึงกำหนดด้วยสามารถแห่งมือเท้าศีรษะหน้าอกแขนสะเอวขาอ่อนและแข้ง อันหนึ่งโดยสันฐานพึงกำหนดด้วยสามารถแห่งความยาวความสั้นความกลมสี่เหลี่ยมความเล็กและความใหญ่ทิศและโอกาสมีนัยยะดังที่พนานามาแล้วนั่นแลโดยปริเฉดโยคีบุคคลพึงกำหนดด้วยสามารถแห่งที่สุดของกระดูกท่อนนั้นๆในบรรดากระดูกเหล่านั้น ท่อนใดแลย่ยอมปรากฏเป็นอาการชัดแจ้งพึงถือเอากระดูกท่อนนั้นจนบรรลุถึงซึ่งอปปนาชาญอนหนึ่งโดยที่เว้าและโดยที่นูนโยคีบุคคลพึงกำหนดตามที่มันเว้าและที่มันนูนของกระดูกท่อนนั้นนั้นแม้จะพึงกำหนดด้วยอำนาจแห่งสถานที่ว่าเราอยู่ที่ลุ่มกระดูกอยู่ที่ดอน เราอยู่ที่ดอนกระดูกอยู่ที่ลุ่มดังนี้ก็ได้อนหนึ่งโดยที่ต่อโยคีบุคคลพึงกำหนดอำนาจแห่งที่ที่กระดูกสองท่อนต่อกันโดยช่องโยคีบุคคลพึงกำหนดด้วยอำนาจแห่งช่องอันเป็นระหว่างของกระดูกทั้งหลายนั่นแหลอันหนึ่งโดยรอ บ, รอบ อัญโยคยีบุคคลพึงส่องยานไปญนร่างกระดูกทั้งหมดนั่นแลแล้วกำหนดว่ากระดูกนี้อยู่หน้าที่ตรงนี้แม้ถึงจะได้กำหนดด้วยประการอย่างนี้แล้วนิมิตก็มิได้ปรากฏโยคยีบุคคลพึงวางจิตไว้ตรงที่กระดูกหน้าหักนั่นเถิดหลักการถือเอานิมิตโดยอาการสิบเอ็ดอย่างในอัติกะอสุภานี้ ฉันใดแม้ในอสุภะอื่นๆข้างต้นแต่นี้มีปุรุวะกะอสุภะเป็นอาธิอัญโยคีบุคคลพึงกำหนดด้วยสามารถความเหมาะสมฉันนั้นอันหนึ่งกรรมฐานบทนี้ย่อมสำเร็จทั้งในโครงกระดูกทั้งสิ้นทั้งในกระดูกท่อนเดียวเพราะเหตุนั้นอัญโยคีบุคคล พึงถือเอาซึ่งนิมิตโดยอาการสิบเอ็ดอย่างในโครงกระดูกและกระดูกท่อนเดียวนั้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพึงยังมนาสิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่าอาสุภาเป็นกระดูกน่าเกลียดอาสุภาเป็นกระดูกน่าเกลียดดังนี้ความต่างกันแห่งนิมิตทั้งสอง ในอธิกะอสุภะกรรมฐานนี้พระอัฏฐกถาจารย์กล่าวไว้ว่าทั้งอุกขะนะนิมิตทั้งปฏิภาคานิมิตย่อมเป็นเช่นเดียวกันนั่นเทียวคำของพระอัฏฐกถาจารย์นั้นถูกสำหรับในกระดูกท่อนเดียวส่วนสำหรับในโครงกระดูกเมื่ออุกขะนะนิมิตปรากฏนั้นปรากฏเป็นช่องเมื่อปฏิภาคานิมิตปรากฏ ปรากฏเป็นโครงกระดูกบริบูรณ์จึงจะถูกอันหนึง่งแม้สำหรับในกระดูกท่อนเดียวอุคหะนิมิตพึงเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวน่าสะพรึงกลัวปฏิภาคานิมิตพึงเป็นสิ่งที่ให้เกิดปีติและโสมนัสเพราะเหตุที่นำ ม, มาซึ่งอุปจาระสมาธิก็ในโอกาสนี้ คำใดที่ท่านพันณาไว้ในอัตถกถาทั้งหลายคำนั้นท่านก็พรนณาให้ช่องเวลาแล้วนั่นเทียวเป็นความจริงอย่างนั้นในอัตถกาทานั้นแม้ว่าพระอัตถกาถาจารย์จะได้พรนณาไวล้วว่าในพรหมวิหารสีและอสุภาษิปปฏิภาคนิมิตหามีไม่เพราะในพรหมวิหารสีสีมาสมเพอ ความทำลายเขตแดนนั่นแหละเป็นนิมิตและในอสุภาสิ์ยอมสำเร็จเป็นนิมิตในขณะเมื่อโยคีบุคคลเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างทำไม่ให้มีข้อแม้นั่นเทียวดังนี้แล้วยังพรนธนาต่อไปอย่างไม่มีขีดขั้นเป็นต้นว่านิมิตในอธิกะอสุภานี้มีสองอย่างคืออุคหนิมิตหนึ่ง ปฏิภาคนิมิตหนึ่งอุคหานิมิตยอมปรากฏเป็นสิ่งที่ผิดรูปผิดร่างหน้าหวาาเสียวหน้าสะเพรึงกลัวดังนี้เพราะเหตุนั้นคำใดที่ข้าพเจ้ากล่าววิจาร์ไว้แล้วคำนั้นนั่นแลเป็นอันถูกต้องแล้วในอธิการแห่งอธิกาอสุภานี้อีกประการหนึ่งเรื่องต่างๆ ฉันเรื่องร่างกายของสตรีหมดทั้งตัวปรากฏเป็นร่างกระดูกแก่พระมหาติดสะเทระเพราะเหตุที่ได้เห็นเพียงกระดูกฟันนับเป็นนิทัศนอุทาหร r ได้ในอัติกะอสุภกรรมฐานนี้ด้วยฉะนี้แลสมเด็จพระทศพลผู้ทรงมีพระคุณอันโซภาทรงมีพระเกียรติศัพท์อันจอมแห่งเทวดา ผู้มีเนตตั้งพันดวงสันเสริญแล้วได้ทรงแสดงอสุภกรรมฐานอันเป็นเหตุให้สำเร็จฌาน่ลประการเหล่าใดไว้ด้วยประการดังพันนานามาชนนี้อันนักศึกษาครั้นได้ทราบอสุภกรรมฐานเหล่านั้นและในยะแห่งภาวนาวิธีของอสุภกรรมฐานเหล่านั้นอย่างที่พรนานามานั้นแล้วพึงทราบถึงซึ่งปกินนั ก, กาในอสุภกรรมฐานเหล่านั้นนั่นแล ได้ยิ่งขึ้นไปดังต่อไปนี้ปกินณกกะคะาถาก็แลโยคีบุคคลผู้ได้สำเร็จฌานในอสุภกรรมฐานสิบประการ น, นั้นข้อใดข้อหนึ่งแล้วยอมเป็นผู้ไม่มีความประพฤติโลเลเป็นดุจ ด, ดังว่าปราศจากราคะแล้วเพราะราคะ บุคมไว้อย่างดีแม้เมื่อเป็นเช่นนี้ประเภทแห่งอสุภานี้ใดที่ท่านแสดงไว้แล้วประเภทแห่งอสุภานั้นนักศึกษาพึงทราบว่าท่านแสดงไว้ด้วยอำนาจความเป็นไปแห่งสภาพของร่างศพอย่างหนึ่งด้วยอำนาจประเภทของราคะจริตอย่างหนึ่งอสุภาษณสิบตามสภาพของร่างศพ จริงอยู่รางศพเมื่อถึงความเป็นสิ่งปฏิกูลก็จะพึงถึงภาวะเป็นสภาพอุทุมาตกะอสุภะหรือถึงสภาพเป็นวินิลกะอสุภะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยประการชนนี้โยคีบุคคลสามารถที่จะได้อสุภะชนิดใดๆก็พึงถือเอานิมิตในอสุภะชนิดนั้นๆด้วยบริกา ร, รอย่างนี้ว่าอสุภะขึ้นผ่องนาเกลียด อสุภะสีเขียวคละด้วยสีต่างๆน่าเกลียดเป็นต้นชนิดนักศึกษาพึงทราบว่าประเภทอสุภะท่านแสดงไว้แล้วโดยอาการสิบอย่างด้วยอำนาจความเป็นไปแห่งสภาพของร่างศพด้วยประการชนี้อสุภะสิบตามประเภทของราคะจริต เมื่อว่าด้วยความแปลกกันในอสุภานี้นักศึกษาพึงทราบว่าท่านแสดงประเภทอสุภะไว้โดยอาการสิบอย่างแม้ด้วยอำนาจความต่างกันแห่งราคะจริตโดยประการดังนี้คือ 1. อุทุมาตกะอสุภะเป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มีความกำหนดในสันฐานเพราะมันประกาศ ถึงความวิบัติของสันฐานแห่งร่างกายสวินิละกะอสุภาเป็นสัพปายาสาหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกําหนัดในสีของร่างกายเพราะมันประกาศถึงความวิบัติของผิวสวิปุภะกะอสุภาเป็นสัปพายาสำหรับโยคีบุคคล ผู้มักมีความกำหนัดในกลิ่นกายที่เขาปรุงแต่งขึ้นด้วยอำนาจกลิ่นดอกไม้เป็นต้นเพราะมันประกาศถึงภาวะที่เป็นของเหม็นซึ่งติดเนื่องอยู่ในกาย 4. วิจิตรกะอสุภาเป็นสัพพายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกำหนัดในความเป็นเนื้อทึบในร่างกายคืออวบ เพราะมันประกาศถึงความเป็นโพลงข้างในห้ 5. วิขายิตกะอสุภะเป็นสับปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกําหนัดในเนื้อนูนขึ้นในตาแหน่งแห่งร่างกายเช่นถันคือเต้านมเป็นต้นเพราะมันประกาศถึงความพินาศแห่งสมบัติคือเนื้อนูน์ห วิคิตกะอสุภะเป็นสัพ ป, ปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกำหนัดในลีลาขององค์อวัยวะเพราะมันประกาศถึงความกระจัดกระจายขององค์อวัยวะทั้งหลายเจ็หัตะวิคิตกะอสุภะเป็นสัพ ป, ปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกำหนัดในเรือนร่างของกาย เพราะมันประกาศถึงความทำลายและความวิการของเรือนร่างของกาย 8. โลหิตกะอสุภาเป็นสับ ป, ปะยะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกำหนัดในความงามที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องประดับเพราะมันประกาศถึงภาวะที่เป็นสิ่งปฏิกูลเพราะเปรอะเปื้อนด้วยโลหิตเก้า ปุลุ ว, วากะอสุภาเป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มีความกำหนัดอันเกิดขึ้นในกายโดยหมายว่าเป็นกายของเราเพราะมันประกาศถึงภาวะของกายเป็นสาธารณแกียรกุลนอนเป็นอันมากสิบอธิกะอสุภาเป็นสัปปายาสำหรับโยคีบุคคลผู้มีความกำหนัดในสมบัติคือฟัน เพราะมันประกาศถึงภาวะของกระดูกแห่งร่างกายทั้งหลายเป็นสิ่งปฏิกูลอสุภะสิบให้สำเร็จเพียงปฐมฌานก็แลเพราะเหตุที่ในอสุภะแม้ทั้งสิบอย่างนี้จิตเป็นสภาพมีอารมณ์เดียวตั้งอยู่ได้ด้วยกำลังแห่งวิตกเท่านั้นเว้นวิตกเสีย ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้เพราะอารมณ์มีกำลังอ่อนเปรียบเหมือนเรือในแม่น้ำไม่หยุดนิ่งทั้งมีกระแสไหลเชี่ยวจะหยุดอยู่ได้ด้วยกำลังแห่งถ่อเท่านั้นเว้นจากถ่อเสียก็ไม่สามารถจะหยุดอยู่ได้ฉะนั้นในอสุภะสิบอย่างนี้จึงสำเร็จเพียงปฐมฌานเท่านั้นฌานชั้นสูงมีทุติยฌานเป็นต้นหาสาเร็จไม่ อันหนึ่งในอารมณ์อสุภกรรมฐานนี้ทั้งๆ ท, ที่เป็นสิ่งปฏิกูลปิติโสมนัตก็เกิดขึ้นได้เพราะโยคีบุคคลได้เห็นอา น, นิสงส์ว่าเราจะหลุดพ้นจากชราทุก์และมรณะทุก์ด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นแน่แท้อย่างนี้ประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งเพราะละเสดายซึ่งความเร่าร้อนเพราะนิวรเปรียบเหมือนแม้ที่กองคูด ปิติสมนัตก็เกิดขึ้นแก่คนเทยากเยื่อผู้เห็นอานิสงวว่าเราจะได้บำเหน็จป็นจำนวนมากในบัดนี้และเปรียบเหมือนเป็นการอาเจียนออกของการถ่ายออกปิติสมนัตก็เกิดขึ้นได้แก่คนเป็นโรคมีพยาที่ทุกข์อย่างหนักฉะนั้นร่างคนเป็น ก็เป็นอสุภะกรรมฐานได้ก็แลอสุภะแม้ทั้งสิบอย่างนี้แม้ว่าโดยลักษณะก็เป็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจริงอยู่ความเป็นสิ่งปฏิกูลคือไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นและน่าเกลียดนั่นและเป็นลักษณะของอสุภะทั้งสิบอย่างนั้นโดยลักษณะนี้อสุภะนั้น ไม่ใช่จัปรากฏได้แต่ในร่างกายของคนตายอย่างเดียวแม้ในร่างกายของคนเป็นก็ปรากฏได้เหมือนอย่างที่ปรากฏแก่พระมหาติสะเทระสำนักวัดเจติยบรรพศซึ่งได้เห็นกระดูกฟันและเหมือนอย่างที่ปรากฏแก่สมมเนนอุปถาของพระสังรารขิตเถระซึ่งได้แลดูพระราชากำลังประทับอยู่บนคอช้างพระที่นั่งเพราะว่า ร่างคนตายเป็นอสุภะกรรมฐานได้ชั้นใดแม้ร่างคนเป็นก็เป็นอสุภะกรรมฐานได้ชั้นนั้นเหมือนกันร่างคนเป็นถูกปิดบังด้วยเครื่องอลังการก็แต่ว่าในร่างคนเป็นนี้ลักษณะของอสุภะไม่ปรากฏชัดได้ เพราะถูกเครื่องอลังการอันประกอบเข้าใหม่ปิดบังไว้แต่เมื่อว่าโดยปกติแล้วสรีระร่างอันนี้มีกระดูกสามร้อยท่อนเศษ เ, เป็นโครงร่างเชื่อมด้วยข้อต่อหนึ่งแสิบแห่งมีเอ็นเก้า้อยเส้นหุกยุดไว้ฉาบด้วยชิ้นเนื้อเก้าร้อยชิ้นห่อหุ้มไว้ด้วยหนังสดไลไว้ด้วยหนังผิว มีช่องน้อยช่องใหญ่ปลุกไปไหลซึมขึ้นข้างบนและไหลซึมลงข้างล่างตลอดการเป็นนิดเหมือนภาชนะซึ่งเต็มไปด้วยมันข้นอันหมู่นอนอาศัยอยู่แล้วเป็นบ่อเกิดแห่งโรคทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งทุกขธรรมทั้งหลายเป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดทั้งหลายอย่างไม่ขาดสายโดยทางปากแผลทั้งเก้าแห่งคือช่องทวารทั้งก้า เหมือนผีหัวขาดเป็นราชาหรือคนจันทานก็เหมือนกันสรีระร่างอันใดมีคี้ตาไหลออกจากตาทั้งสองมีขี้หูไหลออกจากช่องหูทั้งสองมีน้ำมูกไหลออกจากรูจมูกทั้งสองมีอาหารดีเสมหะหรือโลหิตไหลออกจากปาก มีอุจจาระและปัสสาวะไหลออกจากทวารเบื้องล่างทั้งสองมีน้ำเงือ่อันศกกระรกไหลออกจากคุมขน 99,000 ขุมมีมแมลงวันหัวเขียวเป็นต้นไต่ตอมอยู่บุคคลไม่ปรนิบัติสรีระร่างอันใดด้วยสรีรากิจมีการสีฟันบ้วนปากสะผมอาบน้ำนุ่งผ้าและห่มผ้าเป็นต้นปล่อยไปตามกำเนิด มีผมพรุงพารังยุ่งเหยิงท่องเที่ยวจากบ้านหลังไปยังบ้านหน้าแม้จะเป็นราชาก็ตามจะเป็นคนเทอยากเยื่อหรือคนจันทานเป็นต้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามจะไม่มีสิ่งผิดแพกกันเลยเพราะเป็นสรีระร่างที่ปฏิกูลเสมอกันชื่อว่าความเป็นต่างกันในสรีระร่างของราชาก็ดีของคนจันทานก็ดี หามีไม่เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลคือไม่สะอาดมีกลิ่นและน่าเกลียดด้วยประการชนนี้ก็แลในสรีระร่างอันนี้เมื่อคนเราพากันขัดสีมลทินทั้งหลายมีมลทินฟันเป็นต้นด้วยไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากเป็นต้นแล้วปกปิดอวัยวะส่วนที่ยังความละอายให้หายไปด้วยผ้านานาชนิด ไหลทาด้วยเครื่องลูบไหลอันหอมหวนนนนาพันประดับด้วยอาพรต่างๆมีอาพรดอกไม้เป็นต้นยอมกระทำให้ถึงซึ่งอาการควรที่จะพึงถือเอาได้ว่าเราว่าของเราได้แต่นั้นเพราะเหตุที่สรีระร่างถูกเครื่องอลังการอันประกอบเข้าใหม่นิปิดบังไว้คนเราจึงไม่รู้สรีระร่างนั้นของเขา อันมีลักษณะไม่งามตามความเป็นจริงพวกบุรุษจึงหลงยินดีในพวกสตรีและพวกสตรีก็จึงหลงยินดีในพวกบุรุษแต่เมื่อว่าโดยปรารมัตแล้วในสรีระร่างอันนี้ขึ้นชื่อว่าที่ที่ควรแก่การที่จะพึงยินดีแม้เพียงเท่าอนูหนึ่งก็มิได้มีเป็นความจริงอย่างนั้น ในบรรดาชิ้นส่วนทั้งหลายเช่นผมขนเล็บฝันน้ำลายน้ำมูกอุจจาระและปัสสาวะแม้ชิ้นส่วนอันหนึ่งที่ตกออกไปข้างนอกจากสรีระร่างแล้วคนทั้งหลายก็ไม่ปรารถนาเพื่อจะถูกต้องแม้ด้วยมือยอมสะอิดสะเอียนยอมขยะขยงยอมเกลียดส่วนชิ้นส่วนใดๆที่ยังเหลืออยู่ในสรีระร่างอันนี้ แม้ว่าชิ้นส่วน น, นั้นๆจะเป็นสิ่งปฏิกูลดังกล่าวมาคนเราก็ยังพากันยึดถือเอาว่าเป็นสิ่งน่าปรารถนาน่าใกล้เป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนทั้งนี้เพราะถูกความมืดคืออวิชาห่อหุ้มไว้เพราะถูกย้อมด้วยเครื่องย้อมคือความเห็นแก่ตัวเมื่อสัตว์เหล่านั้นยึดถือด้วยอาการอย่างนี้ จึงถึงซึ่งความเป็นผู้เสมอด้วยสุนักจิ้งจอกแก่ตัวที่เห็นต้นทองกวาวในดงซึ่งมีดอกยังไม่หล่นจากต้นแล้วสําคัญเห็นไปว่านี้เป็นชิ้นเนื้อชนี้เพราะเหตุ น, นี้โยคีบุคคลผู้ฉลาดอย่าได้ถือเอาแต่เพียงชิ้นส่วนที่ตกไปแล้วจากร่างเท่านั้นว่าเป็นของไม่งามเหมือนสุนักจิ้งจอกเห็นต้นทองกวาวในป่าออกดอก แล้วรีบวิ่งไปด้วยสำคัญผิดไปว่าต้นได้ต้นไม้เนื้อเกิดตะกระสวาปามคาบเอาดอกทองกล่าวที่หล่นลงหล่นลงแม้รู้แล้วว่านี้ไม่ใช่เนื้อก็ยังยึดถืออยู่ว่าดอกที่อยู่บนต้นโน้นเป็นเนื้อพึงถือเอาแม้ชิ้นส่วนที่อยู่ในสรีระร่างนั้นว่าเป็นของไม่งาเหมือนกัน เพราะพวกคนเขายึดถือเอากายอันนี้โดยเป็นของงามแล้วลุ่มหลงอยู่ในกายนั้นงมทําบาปอยู่ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะเหตุ น, นั้นโยคีบุคคลผู้มีปัญญาพึงเห็นสภาพของกายอันเปื่อยเนา่าที่เป็นอยู่ก็ดีที่ตายแล้วก็ดีว่าเป็นสิ่งที่พ้นไปจากความงามเสมอกัน สมดังคำโบราณอาจารย์ดังนี้กายอันมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเป็นซากศพเสมอเหมือนหลุมคูดเป็นกายอันหมู่บัณฑิตผู้มีดวงตากระหากันแล้วแต่เป็นสิ่งอันพานชนชมชอบยิ่งนักกายอันใดซึ่งห่อหุ้มไว้ด้วยหนังสดมีแพลขนาดใหญ่คือช่องทวารเก้าแห่งสิ่งโสโครก ลิ้นเมนบูรไหลออกอยู่รอบด้านถ้าจะพึงพลิกเอาภายในของกายอันนี้ออกมาไว้ข้างนอกคนเราจะพึงถือไม้ไว้คอยไลย่ฝงกาและหมูสุนัขอย่างแน่นอนเพราะเหตุฉะนั้นจะเป็นสรีระร่างของคนเป็นหรือจะเป็นสรีระร่างของคนตายก็ช่างเถิดอาการอันไม่งามย่อมปรากฏขึ้นได้ ในชิ้นส่วนแห่งสรีระร่างใดๆอันภิกษุผู้มีชาติเป็นพพะบุคคลพึงถือเอาอุคหานิมิตตรงที่ชิ้นส่วนแห่งสรีระร่างนั้นๆ น, น, นั่นแหลจเจริญกรรมฐานไปจนให้บรรลุถึงซึ่งอปปนาชานนั่นเถินปริเฉต ท, ที่หกชื่อว่าอาสุภกรรมฐานนิเทศ ในอธิการแห่งสมาธิภาวนาในประกอรวิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้เพื่อความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้จบปริเฉทที่หกคำภีวิสุทธิมักพระพุทธโคสเถระรจนา